ยี่สิบสองอิรเวยเรนดูการสนทนาสามชิน้นสัมพาชนาโมดูคุณสูบบุหรี่ไหมคะมีรู้ภกตรากุตาระดิฉันเคยสูบคะ่ะเอานู ว่ขับปุดูตราเกวาดนีแต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้วการนี้ยิบปุ๋ดอัสร์ตากดมเล็ดูรบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่นี่นุปกตากดต์มีเกมไหมนะยิบบันดาไม่เลยค่ะเล็ดูอัศร์เล็ดูมันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ อันนี้น่ากูอบันท ก, กินชดูคุณจะดื่มอะไรไหมคะมีริเยเมนะตรากุตาระบรันดีไหมคะวะกะบรันดีไม่คะ่ะดิฉันชอบเบียมากกว่าวัตุวีเลเตวะกะบีคุณเดินทางบ่อยไหมคะ ดิเยกูเกะไปอาริสตาระบ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจเอาหนุเย ก, กูเกะวิอาปาร์นิมิตต์มแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนค่ะนี่อิปุปเมมุซลเวลโลนน่ามร้อนอะไรอย่างนี้ย็นตะเวดิก้าอุนดิใช่ วันนี้ร้อนจริงๆเอาหนูอีโรจูจาลาเวดิกาวนดีเราไปที่ระเบียงกันเถอะปรเด็นดิวั า, าราลกีเวลดามุพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่เรปูอีกกรัวกัปาร์ตี้วนดีคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะมีรูกูดาบสุนาระ ค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วยเอาหนูไม่เม่นลิกูดาฟอนิจารุ